ถ้าเป็นสมุทัยศัพตร์นะ่ะตัณหานั่นใดที่นำเกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดนะนะความความเพลิดเพลินแล้วก็กำหนัดอย่างยิ่งทั้งการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพระองก็บอกว่าที่ใดเป็นที่รักพอเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นนั่นแหละแล้วเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกบอกเลยว่าตาหู ตาหูจมลิน้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกเลนแกายใจคืออะไรก็คืออุปาทานขันห้าก็คือสิ่งเดียวกันอนนว่าพวกนี้แหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกซึ่งถ้าย้อนกลับมาก็คืออุปาทานขันห้าย้อนกลับมาอีกก็คือชาติชรามรณะเป็นต้นนั่นแหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกอนะันนั้นก็คือสิ่งเดียวกันหรืออุปาทานขันห้า ถ้าอธิบายไปแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอะไรขันรูปขันคำว่าใจตัวนี้เนี่ยนามขันสี่พราะพูดถึงใจนะเจตสิกก็ชื่อว่ากล่าวแล้วหรืออันนี้เป็นภายในซะทีเ่เป็นที่รักเป็นที่พอใจภายในภายนอกก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสพอธพะ ถ้าตากับรูปบวกกันเป็นอะไรเป็นวิญญาณก็จะเป็นวิญญาณหกอ่ะนะสามอย่างประชุมกันก็เป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจินเกิดเวทนาที่ใดมีเวทนามีสัญญาไหมมีสัญญาที่ใดมีสัญญาที่นั่นก็มีเจตนาที่ใดมีเจตนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาวิตกพิจารณอะนะ ซึ่งพวกนี้ก็คือขันห้านั่นเอ ง, องนะนะพวกนี้ก็คือขันห้าเรานี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกการกอาจารเน่กางนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการอะไรต้องการจะที่บ า, ฮายฮนิโรสัจจะว่าพวกนี้เนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะดับปัญหาดับที่ไหนก็ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นวัตถุ วัตถุที่ทำปริญญาเนี่ยนะมีหกสิบวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งตันหาหกสิบเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งทำปริญญาก็หกสิบบางในนี้กล่าวไว้เลยว่านิพานโดยตริยายหกสิบก็คือนี่เท่ากับสูดนิพานหกสิบครั้งยกตัวอย่างว่าจากโูจากโูสมูไทยจากคคนิโรดจากโคนิโรถ้าคาไม่มีปฏิปฐานจับ จักขู่นิโรธโสตานิโรธคาณาณิโรธชิวหานิโรธกายานิโรธมโนโนิโรธพวกนี้เป็นชื่อของนิทานทั้งหมดเห็นไหมนั้นปริยานจะเรียกนิทานโดยปริยาศริยานใดๆก็ได้ได้อย่างกว้างขวางขึ้นซึ่งหกสิบนั้นก็คืออุปาทานขันห้าในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ถ้าแสดงมาย่อๆคืออะไรหกสิบนะทั้งหมดมาแล้วเนี่ยแสดงมาย่อๆก็คือธาตุหก ธาตุหกที่เรียกว่ารู้หรือกาเป็นปริยายที่รูปนามแบบยอ่อถ้าพิสดานก่นนั้นอีกเป็นอะไรเป็นธาตุสิบแปดใช่ไหมธาตุสิบใช่เลธรรมะสองร้อยหนึ่งไมเขาขึ้น <whatever> ก็ธาตุหกเนี่ยนะเนะกษมสิบอ่าท้องไม่ลืมใช่ไหมว่ามันมีปฐวีอาโปตเตโชและวายโยธาตุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่ง เป็นที่ตั้งแห่งธาตุกสินถ้ามีธาตุกสินต้องมีวันนะกะสินแล้วก็อรกสินวิญญาณกสินแต่คำว่ากสินตรงนี้หมายเฉงชามที่มีกสินเป็นอารมณ์ถ้าพูดกระสินอะไรต่อเนี่ยหโดยเฉพาะตัวเนี้ยตัววีอาโปเตโชวาโยคืออาการสามสิบสองการสาสองถ้าแบ่งโดยปริยายต่อไปก็คือเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็คือเอาตรงนี้มาอายตนะสิบสองผู้อายตนะสิบสองแล้วก็ท่าสิบแปดนะอะไเนี่ยในบรรดาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะพระองค์มาจําแนกว่าอะไรเป็นใหญ่นี่นะอินทรีย์คือเป็นใหญ่ใช่ไหมในในบรรดาอย่างเช่นตาหูจมูกเลนกายใจยเนี่ยเป็นใหญ่นะเวทนาก็เป็นใหญ่ วิญญาณก็เป็นใหญ่ยังไงนะมันมีสิ่งที่บางอย่างก็ใหญ่บางอย่างก็ไม่ใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ใหญ่ใหญ่มากวิญญาณก็ใหญ่มานายตนะเนี่ยนะมนินรียก็ใหญ่เวทนาก็ใหญ่สุขขินสีทุกขินสีอุเปกขินสีเนี่ยนะพวกนี้ก็ใหญ่พอแสดงอินทรีย์แล้วอะไรอีกมันนะทีนี้ถ้าถ้าแบ่งให้ดีๆเนี่ยนะพวก ทวนอีกครั้งหนึ่งนิดหนึ่งนะว่าพวกที่สามารถเจริญตามนี้ได้เนี่ยพวกนี้เป็นวิปัสสนาภูมิทั้งหมดนยพวกที่เจริญกสิณเนี่ยพวกนี้เป็นสมถะญานิกะเนี่ยนะอาศัยสมถะเป็นบาตในการพิจารณาอาการสามที่สองก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญแบบสมถะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าย่ อ, อมาก็คือกรมาธาตุรูปาธาตุอรูปาธาตุ อันนี้พูดแบบธาตุใช่ไหมถ้าพูดแบบภพบกรมาภพโรคปาภพอรูปภ พ, ปพในภพเหล่านี้เนี่ยถ้าแบ่งตามปริยายว่าเป็นเอกโวการภพจะตัโวโการภพปัญจวการภพเอกโวจะตัวปัญจโวเนี่ยเป็นคําปริยายที่แสดงว่าด้วยขันอ่นะแสดงภพโดยปริยายแห่งขัน ว่าเป็นเอกโวโกระภพจตุโการะภ พ, พและปัญจโวการะภพถ้าปริยายแห่งจิตปริยายแห่งจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยยกสัญญาขึ้นเป็นหลักเช่นสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพอันนี้เรียกว่าพูดโดยปริยายแห่งจิตหรือสัญญาเนี่ย พวกนี้ก็คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะเอกโวการพบจตโวการพบปันจโวการพบสัญญาพอสัญญาภพบเนวสัญญานาสัญญาพบก็คือขันอายตนะธาตุนั่นแหละขันธาตุอายตนะนั่นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาหรอกเนี่ยนะทีนี้ถ้าบุคคลเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาดีเนี่ยน ะ, ะวาระต่อไปอะไรนะรูปประชานะรูปประชานนะี่ยอ่ะ พรห ม, มิหารเพิ่มพรห ม, มิหารก่อนใช่ทำไหมนะถ้าชาญศีนี่ก็เพิ่มพิเศษจากตรงไหนให้เป็นชาญพวกจตุวโวการภพนี่เป็นอะไรชาญอารูปชาญปัญจวโวการภพนี่เป็นได้ทั้งรูปประชามด้วยนะถ้าเป็นพรหมก็เป็นรูปประชามเพราะว่ายัง ที่จะได้เอกโวการภพจตั ว, วการภพเนี่ยนะฌานนี้ก็เป็นทางสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เข้าถึงภพเหล่านั้นนะทั้งที่เป็นรูปภพอรูปภพอย่างเอกวการภพเนี่ยที่จะได้เนี่ยต้องอาศัยฌานอะไรฌานฌานที่สี่นะจึงจะจึงจะได้เกิดในเอกโวการภพหรืออาัยยสตาภพเป็นปจัจจัยซึ่งพื้นฐานตัวในเบื้องหลังก็คือฌานสี่ อรูปปชาณสีหรืออรูปสมาบัติสีพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าพวกนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์ใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์สัตว์นี้น่ารักไหมปิยมนาปะก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญเมตตาเมตตานะถ้าปิยมนาปะเนี่ยสัตว์นั้นน่ารักน่าพอใจนี่เป็นเมตตา แต่คําว่าน่ารักน่าพอใจนี้มันทุกสัตว์นะไม่ใช่เป็นบางคนถ้าเป็นบางคนนั่นตันหาแต่ถ้าทุกคนน่ารักหมดเลยน่าพอใจหมดเลยอันนั้นเป็นเมตตาแต่ถ้าพิเศษอันนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นพวกกรุณาละ่ะบุคคลเนี่ยที่มีเป็นทุกข์อยู่ก็เป็นทุกขิจตสัตว์ถ้าเป็นมุทิตาสัตว์เหล่านี้มีความสุขก็เป็นสุ ข, ขิตสัตว์ ถ้าเป็นอุเบกหาก็เป็นมัชตาสัตว์นะก็เป็นมัชตาสั์เพราะคำว่าสั์นี้ก็มีพวกนี้แหละเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์นั้นก็สามารถอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเจริญพรห ม, มิหารได้นะก็คือใส่ใส่ในเนี่ยพวกาธาตุเกสิน อ, อาการสามสิบสองอายตนะธาตุอินทรีย์เหล่านี้แหะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสักก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญเมตตานะ แต่คําว่าพรหมวิหารในที่นี้หมายถึงท่ามเมตตาได้ถึงฌานทีน่ระดับนั้นเมตตาได้ฌานที่สามการุณาก็ได้ฌานที่สามมุทิตาก็ได้ฌานสามส่วนอุเบกขาฌานที่สี่เท่านั้นเป็นเฉพาะฌานที่สี่เพราะอุเบกขาไม่เป็นปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านเป็นเฉพาะจตุสฌานอย่างเดียวต่อไปอะไรอรูปอรุษมาบัรว่าไปแล้ว ฌานสี่แล้วก็รูปฌานสี่ที่เหลือก็ถ้ามองทั้งหมดเหล่านี้นะทั้งทั้งหมดเหล่าเนี้ยมาจาัด เ, เป็นปจกับปยอหมือนั้นเถอะง่ายๆมาจัดเป็นปัจจัยกับปัจยุบันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผ ล, อ ะ, นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นป ฏ, มมปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทคือมองพวกนี้แต่มองโดยความเป็นเหตุกับ เป็นผลอันนี้เหมือนกับการเอามามาขยายเฉยๆแต่มามองปฏิจจสมุปบาทก็คือการมาประกอบกันเข้ามันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันไปอย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเป็นต้นนั่นเองซึ่งถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสิ่งเดียวกันหรือไม่สิ่งเดียวกันแต่ต่างกาันโดยปริยายแห่งการแสดงนะนั้น ก็คือทั้งหมดที่ขยายออกไปก็คือส้านั่นแหละที่ขยายออกไปทั้งทั้งหลายส่วนใหญ่ก็คือทุกขัสัตเนี่นะตัวนี้ทั้งหมดเป็นทุกขัสัตหมดเลยในทั้งมะที่กล่าวไปทั้งหมดซึ่งรวมหัวข้อแล้วได้สองร้อยหนึ่งหัวข้อเนี่ยนะก็แสดงว่ามีวัตถุเอาไว้ทําปริญญาสองร้อยกว่าใน น, นะ่ นะถ้ารอบรู้อย่างเดียวเนี่ยนะสามารถเชื่อมไปหาอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้ารู้จริงว่าเช่นเอารูปมาตั้งเนี่ยรูปเป็นเป็นอะไรในปิยรูปสารู ป, รปก็เป็นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปเป็นเสียงกปลิน่นรสโพธิภพธรรมอรมบางส่วนรูปเป็นธาตุนะรูปเป็นอาการสามสิบสองรูปเป็นอายตนะสิบเอ็ด สิบเอ็ดครึ่งสิบครึ่งเรูปเป็นอายุตนะสิบครึ่งเป็นธาตุสิบครึ่งเป็นอินทรีย์เป็นรูปอินทรีย์เท่านั้เป็นรูปอินทรีย์แปดเจ็ดหรือแปดชีวิตอินทรีย์นะเป็นแปดภาวะรูปสองเป็นอินทรีย์แปดเป็นพบประเภทอยู่ในกลุ่มรูปเป็นประเภทกางนมเป็นประเภทรูปอยู่ในกลุ่มปัญจโวการพบ ถ้าเป็นรูปของอรู ป, ปรพพรม้มก็เป็นเอกโวการพบรูปอยู่ในกลุ่มสัญญาพบกับอสัญญาพบรูปเป็นที่ตั้งแห่งฌานอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ว่าจริงๆตรงๆแล้วรูปไม่ใช่ฌานแล้วรูปเป็นอารมณ์ของอภินยาอย่างเดียวถ้าเป็นรูปขันนะเป็นอารมณ์ของอภินยาอย่างเดียว สเส็จแล้วเป็นโวหารว่าเป็นสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาแล้วรูปเป็นอะไรในปฏิจจสมุปบาทรูปก็ยาวเลยใช่ัหมเป็นอายตนะอายตนะภายในกายตนะภายนอกกระทบกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเน่ยนะรูปบางอย่างก็เป็นกรรมวชรูปจิตชรูปปุตตชรูปและอาหารชรูป การมาฝึกคิดอย่างนี้เนี่ยตอนเรียนใหม่ๆเนี่ยทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อันนี้คือที่มาของโรคทอแท้แต่ว่าถ้าท้อแท้ได้ดีนะเพราะมีหลายคนได้ดีไปเยอะแล้วแต่ว่าเชื่อไหมว่าเรียนแบบนี้มีประโยชน์มากประโยชน์คือมันทำให้คิดอะไรกว้างขวางขึ้นไม่งั้นมันก็จะคิดในโลกแต่แคบๆเลยนะเพราะะั้น เราก็เป็นโคนะไม่ใช่อึง